อภิวาทนสีลิสณิตยังวุธาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวัทานิอายุวันโนสุขังภาลังวาวะตุสัพพะมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะ สถาโสถีพะวันตูติ